อาวุธของพระองค์มีจิตใจที่เบิกบานมีความสงบร่มเย็นมีความสุขความสบายคือให้ทุกมันน้อยลงไปอ่ะทุกจะน้อยลงไปได้เราก็ต้องรู้วิธีที่จะรักษาจิตเราเองนั่นคือมีสติสติตัวนี้มันจะมารักษาจิตควบคุมจิตดูแลจิตเพราะเราก็เอาสติเข้ามา พระพุทธเจ้าเนี่ยซึ่งเป็นศาสดาของเราพระไทยของพระองค์เป็นยังไงลองนึกถึงจิตของพระพุทธเจ้าลองดูจิตของพระพุทธเจ้ามีสะอาดบริสุทธิ์สงบเยือกเย็นไม่มีอะไรเลยที่จะไปทาให้พระไทยของพระองค์เป็นทุกข์ได้เมื่อเราเป็นสาวกของพระพุทธเจ้า เราก็พยายามที่จะเอาคุณของโค์มาไว้ที่ใจเรานั่นคือทาใจเราให้สงบให้เยือบเย็นวางเรื่องข้างนอกเรื่องอะไรก็ช่างเพราะตอนนี้เรากำลังนั่งฟังธรรมะของพระพุทธเจ้ากำลังปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเราคิดนึกปรุงแต่งเรื่องอะไรก็ตามเราก็ทำอะไรไม่ได้มันก็เป็นแค่ความคิด ซึ่งมันจะทำให้จิตของเราเนี่ยมันออกไปมันไหลไปมันเพลินไปสั้นสายไปใจของเราก็เลยไม่มีความสงบใจของเราไม่มีสมาธิใจของเราก็ไม่ตั้งมัน่นเมื่อจิตใจของเราไม่ตั้งมัน่นมันก็ไม่เห็นสภาพธรรมตามความเป็นจริงจิตใจของเราก็เพลงความไม่มีที่พึ่ง เราก็จะหวังพึ่งแต่ข้างนอกหวังพึ่งคนนั้นหวังพึ่งคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้แต่สิ่งทั้งหลายในโลกมันก็มีแต่ความเปลี่ยนแปลงคนเราด้วยกันจะไปหวังพึ่งซึ่งกันละกันมันพึ่งไม่ได้นอกจากหวังพึ่งธรรมะเหมือนพระพุทธเจ้าท่านก็พึ่งธรรมะท่านก็ฝึกปฏิบัติตามธรรมะ จนพระ อ, องค์ตัดสรุปรู้แจ้งแจ่มแจ้งในความจริงทั้งหลายที่มีอยู่ในธรรมชาตินั่นก็คือว่าเข้าถึงธรรมจิตใจสะอาดบริสุทธิ์หมดจดเนี่ยพระ อ, องค์ก็มีที่พึง่งแล้วพระ อ, องค์ก็ประทานมรดกธรรมะเอาไว้ให้พวกเราทั้งหลายเพื่อให้เราได้เรียนรู้ได้ศึกษาแล้วก็เอามาประพฤติธปฏธิบัติตามเพื่อให้จิตใจของเรา มีความสงบเยือกเย็นอยู่ภายในในโลกเราอาจจะดูเหมือนกับว่าไม่ค่อยได้มีใครมาสนใจเราอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนั้นเป็นโอกาสดีแล้วเพราะว่าเราพึ่งอะไรไม่ได้หรอกถ้าเรายังไปคาดไปหวังให้คนนั้นคนนี้มาเอาใจมาให้เราหวังพึ่งเขาก็หวังพึ่งเราเหมือนกัน ในขณะที่เราอยากให้เขามาทำให้เรามีความสุขเขาก็ต้องการให้เราทำให้เขามีความสุขต่างฝ่ายต่างก็หวังพึ่งซึ่งกันอะไกันหวังเอาจากกันอะไกันแต่ทั้งสองฝ่ายก็มีความหลงอยู่ในจิตใจความหลงอันนี้มันก็มีตัวตนเมื่อมีตัวเรามีตัวตนมีตัวเขา มันก็ต้องทำเพื่อตัวเราทำเพื่อตัวเขาความเห็นแก่ตัวมันก็มีขึ้นมาเมื่ออยู่ใกล้กันเมื่ออยู่ด้วยกันมันก็จะ ต, ต้องมีความขัดแย้งเกิดขึ้นมีการกระทบกันกระเทือนเข้ามาหาจิตแล้วมันก็ทำให้เป็นทุกข์ได้เพราะนั้นไว้ใจอะไรไม่ได้ในโลกเราหวังพึ่งสิ่งอื่นใดนอกจากธรรมะไม่ได้พระพุทธเจ้าจึงสอนให้พึ่งตน เธอจงมีตนเป็นเกาะเธอจงมีตนเป็นที่พึ่งเธออย่ามีอย่างอื่นเป็นที่พึ่งเลยมีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งก็คือมีธรรมะเป็นเกาะมีธรรมะเป็นที่พึ่งเธอย่ามีอย่างอื่นเป็นที่พึ่งเลยก็คือเธอจะต้องพยายามเจริญสติพยายามเจริญสติ ตามดูกายในกายเนืองเนืองตามดูเวทนาในเวทนาเนืองเนืองตามดูจิตในจิตเนืองเนืองตามดูธรรมในธรรมเนืองเนืองมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกําจัดความยินดียิน้ายในโลกเสียให้ได้นี่คือมรดก ข, ของพระพุทธเจ้าสั่งเอาไว้แล้วก็บรทานทางเดินคือข้อปฏิบัติ เอาไว้ให้พวกเราทั้งหลายอยู่ที่ว่าใครจะสมัครใจเดินตามรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าไปไหมหรือเราจะเดินตามทางของคนอื่นถ้าคนอื่นนี้ต่างก็มีกิเลสมีตัณหามีอุปทานต่างก็มีความหลงด้วยกันนี่มันก็จะพากันไปหาทุกข์ถ้าเราวิ่งตามความคิดความเห็นของเราเราก็วิ่งไปหาทุกข์ เราวิ่งตามความคิดความเม้นของคนอื่นซึ่งเขาก็มีทุกเหมือนกันน่ะหลงเหมือนกัน<ม>ก็เลยหลงไปแล้ ว, ล ว, ล ว, ลวเราเวียนเกิดเวียนตายพร้อมกับความหลงไม่มีที่สิ้นสุดแต่พระพุทธเจ้าท่านมีทางออกสามารถทําให้จิตของเราหายหลงได้เพราะนั้นเรามาที่นี่เราก็มาฝึกฝนอบรมเพื่อให้เรารู้จักวิธีที่จะออกไป จากทุกในวัฏฏะสงสารออกจากความหลงทั้งหมดถ้าจิตที่ไม่หลงแล้วเนี่ยมันจะไม่หลงอะไรเลยจิตก็จะเป็นอิสระอะไรมากระทบก็ดับไปผ่านมาผ่านไปหมดเลยจิตไม่ยึดไม่เกาะไม่เกี่ยวอะไรเพราะว่าพึ่งธรรมอย่างเดียวไม่พึ่งอย่างอื่นธรรมะนี่ก็คือว่าเห็นสภาพธรรมตามความเป็น จ, จริงแล้วจิตก็ปล่อยวาง เมื่อปล่อยวางแล้วจิตก็ไม่หวังพึ่งอะไรไม่ยึดอะไรไม่เกาะอะไรพอจิตไม่ยึดไม่เกาะไม่เกี่ยวจิตก็เป็นอิสระสิ่งข้างนอกจะมาทำให้เป็นทุกข์ก็ไม่ได้เพราะไม่ยึดแล้วปล่อยแล้ววางแล้วหน้าที่ของเราก็ต้องเพียรที่จะปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าไม่งั้นเราจะไม่มีหลักในการดำเนินชีวิตถ้าใครพยายามที่จะตั้งปณิธานเอาไว้เรื่อยๆ ว่าจะพยายามที่จะปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าจะพยายามมีโอวาทรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นหลักในการดําเนินชีวิตคนนั้นก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองเพราะมันมีทางออกให้แก่ตัวเองและมันเป็นทางที่จะทําให้จิตใจของเราสงบเยือกเย็นปราศจากทุกข์ทั้งมวลในเมื่อชีวิตของเราเราก็ต้องการความสุข แต่ถ้าเราไม่ปฏิบัติ ต, ตามคำสอนของพระพุทธเจ้ามันก็ไม่มีใครที่จะมาทําให้เราเป็นสุขได้จริงได้นุนได้นี่ก็ตื่นเต้นนนิดหน่อยๆชั่วครั้งชั่วคราวเดี๋ยวจิตใจของเราก็ดิด้นหลนต่อไปอีกแล้วตื่นเต้นพอใจนี้หน่อยๆเดี๋ยวก็วิ่นตามอารมณ์ทั้งหลายแสวงหาสิ่งทั้งหลายไม่มีวันจบสิน้น ถ้าใครเดินตามทางของพระพุทธเจ้ามันมีทางออกให้คือจิตสามารถหยุดได้หยุดการดิ้นรนกวัดแก่งได้หยุดความอยากความต้องการที่มันเกินความจำเป็นได้สามารถยับยั้งจิตใจของเราไม่ให้ดิ้นรนไปหาทุกข์มาใส่ตัวหาต่อไปนี้ให้เราสำนวมจิตใจเอาจิตเราเข้ามา ให้จิตของเราเข้ามาเข้ามาเข้ามาอยู่กับตัวเราเค้านี้เปลี่ยนเข้ามาอยู่กับตัวเราแล้วพยายามให้จิตของเราเนี่ยมาสังเกตมาสังเกตดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมดูซิว่าจิตเรามันจะดูอะไรถ้าดูลมเข้าลมออกอันนี้ก็แสดงว่าดูกายเขาเรียกอานาปนาสติปปะเป็นหมวดเกี่ยวกับลมเข้าลมออกถ้าดูรยบท ตอนนี้เรานั่งอยู่ียบทนั่งก็รู้สึกว่าเรานั่งอยู่ยังไงร่างกายเราเป็นยังไงนี่ก็คือดูในรูปของอียาบอดก็ เ, เรียกอียบทบัพพะมีอะไรเกิดขึ้นเล็กๆน้อยๆเรารู้ให้ทันเขาเรียกสัมปชัญญะบะพภะเพราะ อ, อะไรเกิดขึ้นหลักของเราคือเข้าไปรู้แล้วก็ไม่ยินดีไม่ยินลายนี่หลักปฏิบัติเนี่ยถ้าใครทำได้อยู่ที่ไหนก็ปฏิบัติได้ แต่ส่วนใหญ่พอปฏิบัติไปปฏิบัติไปก็จะลืมว่าผู้เจ้าสั่งเสียว่ายังไงอะผู้เจ้าบอกให้กําจัดความยินดียินร้ายในโลกเสียให้ได้เราก็ไปยินดียินร้ายอยากได้เร็วๆ เ, เหมือนกับว่าไม่ก้าวหน้าเนีย่ยมันก็คิดขึ้นมาได้หน้าที่ของเราคือปฏิบัติเรื่อยไปปฏิบัติเรื่อยไปพอมีคนเขามาสัมภาษณสมาถามเขาบอกเขาจะไปออกทีวี อุปสรรคของผู้ปฏิบัติธรรมคืออะไรครับคำว่าอุปสรรคของผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยก็คือว่าไปเน้นที่ผลอยากได้ที่ผลแต่พระเจ้าสอนให้พอใจสร้างเหตุทุกเรื่องเนี่ยเอามาใช้กับทางโลกก็ได้เราจะทําการทํางานอะไรก็ตามแทนที่เราจะไปพะวงแต่กับผลอยากให้ผลออกมาดี อยากให้ได้อย่างที่เราต้องการอยากให้คนยกย่องสรรเสริญชื่นชมยินดีเนี่ย <M' zumindest S 1> มันไปเน้นที่ผลมันก็กลัวว่าจะไม่ได้ตามที่เราหวังตามที่เ <riend S 1> ราต้องการเนี่ยมันกะ็มีทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าหาว่าเรารู้ว่าเออเหตุที่จะทำให้เราบรรลุเป้าหมายบรรลุความสาเร็จคืออย่างไงเราก็มาเพียนสร้างเหตุอย่างงี้มันก็ไม่ต้องไปนึกถึงผลผลก็แล้วแต่เหตุใจมันก็ สบายเพราะว่าเราไม่ไปมีอุปท า, านกับผลเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมนี่ก็คือส่วนใหญ่เป็นเน้นที่ผลอยากให้ผลออกมาเป็นอย่างที่เราต้องการทําน้อยก็อยากได้มากปฏิบัตินิน่งหน่อยๆก็เอ๊ะทาไมมันไม่ก้าวหน้าทาไมไม่ได้สมาธิไม่ได้ปัญญาทําไ ม, ไ, มได้มรรคได้ผลได้นิพพานคือมันไปหวังผลมากไป ตอน้ต้องเพียรปฏิบัติเพียรสร้างเหตุเพียสรสัมพัวมเพียรระวังพระเจ้าก็บอกแล้วให้ตามดูกายในกายเนืองเนืองตามดูเวทนาในเวทนาเนืองเนืองตามดูจิตในจิตเนืองเนืองตามดูธรรมในธรรมเนืองเนือมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกาจัดความยินดียินร้ายในโลกนี้เสียให้ได้หน้าที่ของเราก็คือไม่ยินดีไม่ยินร้ายไม่ยินดีไม่ยินร้าย ตามดูไปเรื่อยอะไรเกิดดดูไปอะไรเกิดดูแค่ดูเฉยๆดูไปพออินทรีย์เราเก่กล้าขึ้นมามันก็จะเห็นสภาวะที่เกิดนั่นนะ่ะเกิดแล้วก็ดับผ่านมาแล้วผ่านไปมันก็ต้องเห็นเองถึงเวลามันต้องเห็นเองนี่ถ้าสร้างเหตุพอแล้วเป็นเองแต่ถ้าเหตุมันยังไม่พอเราไปอยากขนาดไหนมันก็ไม่ได้แตที่มาของความสงสัย ที่เราต้องถามมากมายก็เพราะอย่างนี้คือเราสนใจที่ผลแต่เหตุมันยังไม่เพียงพอเหมือนคนเดินทางจะไปถึงจุดหมายปลายทางื่อมันยังไม่ถึงก็ถากคอยพระวงศอยู่เลยเมื่อไรจะถึงเมื่อไรจะถึงมันก็เลยไม่ถึงเพราะว่ามันยังไม่ถึงถ้ามันถึงเมื่อไหร่ก็ไม่ต้องถาม่มันก็ไปถึงปั๊บเอาถึงแล้วเป็นอย่างนี้เองอยู่ตรงนี้เอง การปฏิบัติธรรมก็อยู่ที่ความเพียรเอาต่อไปนี้จะหยุดพูดสักเล็กน้อยให้เราสำรวมจิตใจนะอยู่กับตัวเองนะเอาเตรียมตัวนะสงบบูชาเลยนะวางเรื่องข้างนอกให้หมดเลยนะเอาจิตเราเข้ามาเข้ามาสงบอยู่ภายในนี่สงบบูชาดับบูชาดับเรื่องราวทั้งหมดอยู่ในจิตของเราดับมันลงไปปล่อยลงไปวางลงไป ทิ้งไปวางกระทั่งความรู้สึกว่าเป็นตัวเราร่างกายก็วางเอาไวา้จิตก็วางเอาไวา้ดูเฉยๆดูเฉยๆนี่นปวางบูชาปฏิบัติบูชาได้มากได้น้อยอก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติบูชามีสติก็ชื่อว่าปฏิบัติ บ, บูชาสงบก็ถือว่าปฏิบัติบูชาสงบบูชา ปล่อยวางได้ปล่อยวางบูชาทำความรู้สึกเหมือนกับไม่มีเราไปเลยนี่เป็นเนื้อหาเนื้อหาสูงสุดเลยฝึกไปเรื่อยๆเดี๋ยวจิตเราของเรามันจะรู้วิธีที่จะปล่อยวางจากนั้นก็ตั้งใจข อ, อโหสิกรรมกรรมมันก็จะได้เบาบางลงไป ก็คล้างออกไปทําเหมือนกับมันหลุดไปทิ้งไปปล่อยไปวางไปถ้ามันมีอะไรค้างคาอยู่ในจิตใจเราก็รีบปล่อยทําเพื่อจิตเรานี่แหละถ้าค้างคาอยู่ในจิตใจมันจะดึงเราลงต่ํามากเลยนะจะไปอบายภูมิเลยต้องอยู่เหนือมันให้ได้ต้องกล้าปล่อยกล้าวางกล้าทิ้งอารมณ์ที่ไม่ดีทั้งหลายให้ได้แพ่เมตตาด้วย เพื่อให้จิตเรามันดีขึ้นเรื่อยๆวิธีไหนทำให้จิตเราดีเป็นสมาธิง่ายจิตใจสบายได้เร็วเราก็ทำแผ่เมตตาก็เป็นวิธีหนึ่งทำให้จิตของเราเนี่ยมันอ่อนโยนนุ่มนวลควรแขกการงาน้ะเป็นสมาธิง่ายโดยเฉพาะคนที่ชอบโกรธบ่อยๆต้องฝึกแผ่เมตตาบ่อยๆจนมันเป็นอัตโนมัติเลย ถ้ามีใครทำให้เราไม่สบายใจอาโหสีอโหสีไปเรื่อยเดี๋ยวก็จะ ห, หลุดไปไม่งั้นก็สับเพสสับตาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดเนี่ยแพ่เมตตาบ่อยๆทำเหมือนเมตตาเอาไปจากิจเราได้ยิ่งดี